มันก็ไม่สมประสงค์แต่สังขารทั้งหลายมันไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมบัติของท่านผู้ใดแต่เราไปเป็นนายรับเหมาเอาตาก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นสมบัติของใจหูก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นสมบัติของใจจมูกก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นสมบัติของใจ ลิ่นก็ไม่ยืนยันว่าจะเป็นสมบัติของใจกายก็ไม่ยืนยันว่าจะเป็นสมบัติของใจและก็ไม่ปฏิเสธด้วยและก็ไม่วางเฉยด้วยเพราะไม่มีกิริยาใดๆทั้งสิ้นส่วนกิริยาทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับเมืองใจสติปัญญาจะมีกับใจหรือไม่มีกับใจก็เป็นหน้าที่ของใจไม่ใช่หน้าที่ของสิ่งอื่นที่จะมาก้าว่าย ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเนี่ยมาก้าวก่เลยมีแต่ใจอันเดียวออกความเห็นจะถูกหรือผิดก็ขึ้นอยู่กับเธอไม่มีใครรับรองได้จะพ่อม่ด้วยเหตุด้วยผลหรือไม่พ่อม่ด้วยเหตุด้วยผลก็ขึ้นอยู่กับเธอคนเดียวเธอใจนั่นเองเธอจะมีสติปัญญาหรือไม่มีสติปัญญาก็เป็นเรื่องของเธอไม่เป็นเรื่องของท่านผู้อื่นจะมาก้าวไก่เลย ทำทั้งหลายย่นลงมาเป็นเอกนิบาตแล้วกระทู้ใจเป็นกระทู้สาคัญที่สุดนิทานของใจก็เป็นนิทานสําคัญที่สุดเหตุของใจก็เป็นเหตุสําคัญที่สุดผลของใจก็เป็นผลสําคัญที่สุดเหตุใจอันใดที่ทําแล้วรูปตัวผลของใจไยภายนอก ไฟภายในคือกิเลสไฟภายนอกคือสังขารไฟภายในก็คือกิเลสก็ใื้สังขารเหมือนกันโลงยัดเยียดเต็มไปด้วยสังขารทั้งภายในและภายนอกด้วยทั้งไกลและใกล้ด้วย แม่จิตก็บัญญัติว่าสังขารเงีงจิตตะสังขารเหตุแค่นั้นพระนิพพานจึงไม่ยืนยันว่าจิตถ้าทําถูกก็เป็นห้นทางเข้าสู่พระนิพานถ้าทําผิดก็เป็นทางลงสู่นรกคือรกอยู่ที่ใจพระนิพพานก็คือดับเพลินในที่ใจพระใจเป็นผู้ดับเพลินเพลินในโลกในสงสาร ก็คือเพลินในหลุนผ่านเพลิงเพลิงแก่เพลิงเก็บเพลิงตายเพลิงโลกเพลิงกูดเพลิงหลงใจรู้เท่าตัวตอนไหนใจก็รู้เท่าทรามตอนนั้นถ้าใจไม่รู้เท่าตัวตอนไหนใจก็ไม่รู้เท่าทรามตอนนั้นทำไมจึงขยายจนถึงตาหูจมูกเล่นกาย ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาพระชอบเล็งแลดูรูปไม่อิม่มทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูพระชอบฟังสิ่งไหนที่ชอบใจพอติดอยู่สิ่งไหนที่ไม่ชอบใจก็โกรธสิ่งไหน จังกลางกว็าวางเฉยซักท่องเที่ยว อ, อยู่ตามนี้เลิ้นงกวางกันทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงไม่ลิ้นเพราะชอบริมรถเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวเป็นต้น ถ้าอร่อยก็ติดอยู่ถ้าไม่อร่อยบางทีก็โกรธบ้าไม่พอใจถ้ากลางๆ ก, ก็เฉยสักเรียกว่าสุขเวทนาถ้าโกรธก็เรียกว่าทุกขเวทนาถ้ายินดีก็เรียกว่าสุขเวทนาเวทนาอิงอาวิชไม่ได้อิงเอกขมมะหนึ่งไม่ได้อิงเหนือขมมะ ยิ่งนกธรรมก็คือออกจากตามออกจากพยาบาทออกจากวิเหิงสาความเบียดเบียนกาใดใครก่อคิดใจเป็นผู้ก่อขึ้นผลของใจก็สัมพยุ์อยู่ในตัวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหา สร้างเหตุอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผลของเหตุก็ตามอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผลของเหตุและสร้างเหตุสร้างเหตุก็คือกรรมผลของเหตุก็คือผลของกรรมมีความหมายเดียวกันการนึกคิดแต่ละบทระบาดมันก็เป็นเหตุเป็นกรรมอยู่ผลของการนึกคิดก็สัมะยุตอยู่เดี๋ยวก็ดีใจบ้างเดี๋ยวก็ไม่ดีใจบ้างเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านบ้างเดี๋ยวอะไรต่ออะไรบ้าง เหตุผลมันวนอยู่ที่ดวงใจไม่ได้อยู่ที่อื่นทาคนสอนก็สอนใจคนตายไม่ได้สอนเลยเพราะวิญญาณมันอยู่ในที่นั้นอานิจจังทุกขังอนัตตาไม่สมประสง์เลยนะเห็นอยู่ทุกเมื่อ จะทําดีทําเด่นสักเพียงไหนในอามิตรหรือวัตถุนิยมก็ทําออกมาจากธาตุดินน้ําไฟลมเราดีๆนี่เองเช่นกระจกอย่างนี้ก็ทํามาจากธาตุดินเล็กก็ทํามาจากธาตุดินแก้วขลึกแก้วหุงก็ทํามาจากธาตุดินสิ่งไหนที่เป็นของแข็งก็เป็นธาตุดินเมื่อแตกก็แตกกลงไปเป็นเดินอีกเหมือนกัน ธาตุดินธาตุน้ำอาศัยซึ่งกันและกันธาตุไฟธาตุลมวัตถุนิยมออกมาจากธาตุดินน้ำไฟลมส่วนอุดมคติออกมาจากบวกบุญคุณโทษมีนิดเดียวเราหลงก็หลงอยู่นิดเดียวถ้าจะพิจารณาให้ชัดถ้าหลงใจ ก็หลงไปหมดถ้าไม่หลงใจก็ไม่หลงไปหมดเพราะใจเป็นผู้สร้างเหตุขึ้นได้รับผลของเหตุก็คือใจจะปฏิเสธไปไหนก็ไม่ได้ปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมเดี๋ยวนี้มีการมาวิตกหรือไม่มีพยาบาทวิโตกหรือไม่มีวิหิงสาวิตกหรือไม่ถ้ามีก็ต้องรู้ด้วยตนเอง ถ้าไม่มีก็ต้องรู้ด้วยตนเองถ้ามีจะพยายามห้ามเบรกด้วยวิธีไหนก็ให้รู้ด้วยวิธีนั้นห้ามอยู่ด้วยวิธีใดก็ให้รู้ด้วยวิธีนั้นห้ามไม่อยู่ด้วยวิธีใดก็ให้รู้ด้วยวิธีนั้นนี่เรียกว่าจิตตานุปัสสนากรรมฐานไม่ใช่สมาธิหัวตอ่ออันน้ สมาธิหัวต่อลงไปรวมพรับแล้วก็พักอยู่เฉยๆหมดกำลังก็ถอนออกมามีกิเลสก็มาดังควานอีกเหมือนกันเพราะปัญญาไม่เท่ามันจะปรากฏห่อเหินเดินรากาศไปรักเพียงไหนก็าตามถ้าถอนออกมาแล้วก็หมดเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะเคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอากแต่เดิมเพราะสมาธิต้อง ไม่สามารถจะกำจัดกิเลสได้เป็นเพียงระงับกิเลสชั่นกาได้เท่านั้นถ้าถอนออกมากรรมวิตกพยาบาทวิตกษวิหิงสาวิตกก็ขบทคืนอีกคำสอนแต่ระบทระบาดของพระบรมศาสดา บรรเทากิเลสทั้งนั้นบรรเ ท, า, รเทาโลภบรรเทาโกรธบรรเทาหลงสิ่งไหนที่ไปบวกมันไม่ถูกสิ่งไหนที่ถูกรบรับโกรธหลงออกบ้างหรือบรรเทาบ้างหรือห้ามไปอีกบ้างสิ่งนั้นจึงเป็นคําสอนในพุทธศาสนาสิ่งไหนที่ไปบวกกับกามเมตตกพยาบาทวิตตกมิสีสายวิตกสิ่งนั้นไม่มีในทางพุทธศาสนาไม่ส่งเสริมไม่สรรเสริญเลย ความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกแต่ตรึกไปในทางดีก็เป็นมักเป็นผลไปทางดีแต่ตรึกไปในทางชั่วก็เป็นเหตุผลไปทางชั่วก็ได้รับผลเหตุผลชั่วอยู่ณที่นั่นเองก็ได้รับผลดีอยู่ณที่นั่นเองเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุพูดผลก็พูดเหตุฟังผลก็ฟังเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจ เหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเมื่อเหตุไม่อยู่ห่างกันพอเก้ากรรมและผลของกรรมก็ไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุกับผลกรรมและผลของกรรมก็มีความหมายอันเดียวกันมันจบกเกษียณไม่เป็นทาไมจึงจบกเกษียณไม่เป็นเพราะเมื่อ ย, ยังยึดถือผู้ลู่อยู่ตราบใด เหตและผลก็จบเกษียนไม่เป็นถ้ายังยึดถือจิตใจอยู่ตราบใดเหตุและผลก็ตามสนองอยู่ตราบนั้นพระลหันท่านพ้นไปแล้วท่านไม่ยึดเหตยึดผลของจิตของใจตามไปก่อนไปถึงแต่ขั้นห้าไม่ถึงพระนิพพานซักเพราะจิตดับเพลินแล้ว ดับโรคดับโกรดรับหลงแล้วก็ตามไม่ถึงก็ตามถึงแต่ร่างกายสังขารเพราะท่านทิ้งแล้วร่างกายสังขารของท่านท่านยืนยันว่าเราก็ยืนยันเฉยแต่ไม่มีโรคโกรดหลงในเรานั้นเอาจีบอลข้ามาเอาบาตรฆ่ามาก็ว่าเฉยแต่ไม่ยืนยันแต่กิเลสไม่ไปยืนยันด้วย กิเลสไม่ได้ไปบวกโรคปวดหลงไม่ได้ไปบวกไม่กล้าจะไปบวกเพราะปัญญาเหนือแล้วสมมุติก็เป็นสมมุติรุ่นล้ว น, วนไม่มีกิเลสไปสัมปยุศมิมุติก็เป็นวิมุตรุ่นล้ว น, วนไม่มีใครเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเขียนก็เขียนรนล้ว น, ล, วนลบก็ลบรุนล้วน ไม่มีโรคโกดหลงเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหลายก็เลยกลายเป็นโมฆะไปเป็นของว่างอยู่ในตัวว่างจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขานั่นเองว่างจากกิเลสโรคโกดหลงนั่นเองจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างถ้ายืนยันว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตจิตก็ไม่ว่า ยืนยันว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตยืนวันว่ายืนยันว่าจิตมีในเราเรามีในจิตในสีเงื่อนเนี่ยมีประสีปฏิวัติยืนยันว่าผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้ยืนวงยืนันว่าเรามีในผู้รู้ผู้รู้มีในเรามีสี่เงื่อนนี้เองท่านพูดพ้นไปแล้วไม่ไม่ยืนยันใช่แล้วพระรู้ตามเป็นจริงแล้ว ความรู้ตามไปจริงเหนือความหลงไปแล้วก็ข้ามทะเลหลงอยูนะ่ณที่นั่นเองตาก็ยืนยันตาก็สมมติว่าตาแต่ไม่มีราคะโทสะเกิดขึ้นมาบวกเพราะเป็นสมมตินนล้วนหูก็บอกว่าเป็นแต่สะกอ้หูเพราะไม่มีราคะโทสะโมหะไปบวกนะนะ ท่านจังเที่ยวว่าตาเหมือนทะเลฝั่งในรูปเหมือนทะเลฝั่งนอกความรักความชังความหลงอยู่ในระหว่างกลางคือทะเลหือยข่ายกล่วว่าตาเป็นเชือกผูกเงื่อนหนึ่งรูปเชือกผูกเงื่อนหนึ่งในระหว่างกลางนั้นท่านผู้มีปัญญาท่านไปนตัดซะ ตัดเชือกไม่ได้โยงถึงกันฟังในคือตาหูจมูกเล่นกายใจฟังนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพระ ธ, ธรรมารมในระหว่างกลางคือความรักความชังความหลงไปผูกให้ติดกันท่านไม่สำคัญว่าท่านเป็นผู้รู้ ท่านไม่สำคัญว่าท่านเป็นผู้ไม่รู้เราได้รู้จักดีแล้วท่านก็พูดตามสมมุติเฉยๆแต่ไม่ได้ยึดถือเออท่านไม่รู้หรอกอย่างนี้ท่านเขามาไปโกรธให้แต่พวกเราถ้ามีผู้มาว่าท่านไม่รู้หรอกอย่างนี้กิเลสก็ขึ้นผึ่งเลยเธอจะรู้มันข้าหรือมันบ่นอยู่ข้างใน กิเลสเป็นขอสําคัญว่าเพราะเหตุใดเพราะมันติดตามติดใจมาขันท์สันดานมาหลายภพหลายชาติบารมีแก่ก้าก็ไล่มันไม่ออกควันชาควันว่ามันขึ้นขี่คอมันก็ขึ้นขี่เป็นบางข้างบางข่าวชวนกิเลสนี่มันขึ้นอยู่ไม่มีกลาวันกลางคืน ถ้าเวลามีสมาธิมันก็ไม่เขย่าบ้างมีทานมีศีลมีภาวนามันก็ไม่เขยา่ามันก็อยู่นิ่งๆถ้าว่หาห่างจากอารมณ์ของทานศีลภาวนาไปแล้วมันก็เขย่าเลยขอสับหัวเลยกฎไม้จะมีกีราล้านกฎหมก้กอดตาม ถ้ากิเลสไม่เบาบางมันก็ไม่อยู่ละผู้แต่งกฎหมายก็คือคนมีกิเลสเราดีๆนี่เองพ่ อ, อแม่เอ๋ยอุบายใดพักของกูจะได้ประโยชน์กูก็จะทำขึ้นไม่เหมือนพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาไม่เข้าข้างใครเลยเข้าข้างทำตรงต เหตุนั้นจึงเคารพธรรมพวกกฏหมายกฎหมู่กฎพกกรกฎพวกไม่น่าจะอวดดีต่อพระพุทธศาสนายอมยกโถงข่าวดีกว่าจิริเไม่เบาบางเซียร์เจะตั้งไว้สักเพียงไหนก็ตามสำหรับจุดไฟทิ้ง คำสอนพระพุทธศาสนาปลดอาวุธนับแต่ศีลห้าไปปลดอาวุธแล้วปลดอาวุธอย่างห ย, ยาบๆแล้วแต่อาวุธอย่างห ย, ยาบๆก็ยังปลดไม่ได้จะเอาพระโสดาบันมาจากประตูใดล่านั่นนั่นนั่นนั่นนั่น อาวุธต่างๆคืออะไรคือเครื่องสังเวยเวนไพยวิชาสนองเวนสนองไพยปืนก็ดีลูกระเบิดก็ดีเครื่องทำลายยาเบื่อหรืออะไรต่ออะไรก็ดีว่าไม่ใช่ทำให้สงบคือสร้างเวนสร้างไัยไว้ กูทีมึงทีเหมือนหายใจเข้าหายใจออกเหมือนฝ่ามือและหลังมือเหตุนั้นพระพุทธเจ้าองค์ไหนจึงมายืนยันศินห้าเป็นเครื่องปกครองโลกจึงมายืนยันนี่โอตตะปะสัสมปันาสุกาธรรมาสมาเหตาสั้นตัวศัพทิยาโรเก เอวะธรร ม, มาริวัเจเรปกครองโลกความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปปกครองโลกบัญญัติบา ป, ปาาตบาปบุญคุณโทษถูกก็มีพระสมาพุทธเจ้าจําพวกเดียวเท่านั้นเหลือนอกนั้นสิ่งที่เป็นบาปว่าเป็นบุญก็มีสิ่งที่เป็นบุญว่าเป็นบาปก็มีเพราะเหตุใดเพราะไอ้เจ้าตัวผู้บัญญัตมีกิลเลสนัน ผัวคาเมียก็ขี้ขโมยกันเพราะไม่มีศีลห้าเพราะไม่มีอย่างอายต่อบอาปรับตากันไม่ได้เดี๋ยวก็อาบหน้ามาแล้วเปียกมาแล้วขี้ขโมยกันแต่ไม่เป็นทุกท่านจำพวกที่ท่านไม่เป็นก็คงจะมีส่วนน้อย พูดถึงพระโสดาบันก็มีแต่กัมมุตนาวัตติโลโก้ซัดโลกเป็นไปตามกรรมจะให้เสมอเหมือนกันไม่ได้แต่จะแอ บ, บกินกับกรรมและผลก็กรรมอันไม่ดีก็ไม่ถูกอีกกรรมใดใครก่อกรรมไม่ดีก็อยากก่อขึ้นเราก็เหมือนกันท่านผู้อื่นก็เหมือนกันเรามีอิสระ ที่จะทาดีได้ไม่น้อยก็ต้องมากถ้าความดีมีบ้างมีบ้างเป็นมูลมรดกแล้วความดีอื่นๆก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นเหตุแท่นตึงพยายามคนเรามีอิทระทุกๆ ท, ท่าน พระอาหารหันต์มีปาฏิหาริย์อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมีปาฏิหาริย์พราะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพระไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกเรียกว่าปาฏิหาริย์ไม่ลงธรร ม, มกมแมลงวันมีปาฏิหาริย์กินมูดกินคูดอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็เพราะผลของกํามแมลงผู้มแมลงผึ้งก็เหมือนกันคนเรามีปาฏิหาริย์ทุกท่นานคาว่าปาฏิหาริย์เป็นคกากลาง ปฏิหารแบบทางดีหรือทางชั่วก็ต้องพิจารณาอีกคำว่าความเห็นก็เป็นคำกลางอีกเหมือนกันเห็นไปในทางชั่วหรือทางผิดเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจพิจารณาทั้งนั้นวันเวลาเมนิดเดียว หายใจเข้าไม่ออกก็บอกว่าตายหายใจออกไม่เข้าก็เล่าว่าตายตายตามสมมตุติแต่จิตใจไม่ยอมตายจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อธิษฐานผูกขาดจองขาดไว้แล้วจะเกิดมากกว่าไม็ดหินเม็ดายในท่อมหาส ม, มุทรก็ตามจะไม่หนีจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลงเอ่ยถึงขนาดนั้น จึงจะไม่เป็นนุ่นปลิวไปตามลมถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นนุ่นปลิวไปตามลมแต่เป็นธรรมดาอยู่เองถ้าเป็นโลกิยะความเห็นความเห็นนั่นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปในทางที่ชั่วถ้าเป็นโลกุตระความเห็นความเห็นอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่ก้าวหน้าไปความเห็นก็ดีเจตนา ที่จะปฏพิพฤติประพฤติตามความเห็นก็ดีก็มีชิวคิวไปทางชั่วความงานกันคำว่าสันทิษที่โกลงโอเห็นเองผู้ที่เขาทําชั่วเขาก็รู้ว่าเขาทําชั่วอยู่เขาปฏเิเสธเขาก็ปฏิเสธอยู่จะถือว่าเป็นสันทิษที่โกเต็มภูมิยังไม่ถูกเพราะสันทิษที่โกในทางพระพุทธศาสนา มีขอบเขตนับเอาแต่พระโสะดาวันเป็นต้นไปอาการเรียกโกก็เหมือนกันไม่มีการไม่มีเวลาจะทําชั่วในเวลาไหนก็ทําได้ก็ให้ผลตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทําน้อยและมากพวกเขาทําชั่วเขาทํามาได้รับผลดีนะักแต่เขาก็ร้อนใจอยู่เราไม่ดักใจเขาเห็นแม้จะจับตัวเขาไม่ได้เขาก็ร้อนใจอยู่ไม่ใช่เขาจะอยู่เย็นเป็นสุข ถึงเขาจะรอยก็ตามถึงอย่างนั้นเขากลระแวงเขาอยู่ไม่มีการวางแผนคือเห็นรถคันไหนมาแซงเขาก็ตกใจอยู่เพราะความชั่วของเขามี ข, ของเขาเพราะโรคของเขามีประจำใจแล้วเราก็เหมือนกัน ตอนไหนทำไม่ดีเราก็เดือดร้อนเหมือนกันนั้นไม่ใช่ผลของบาป ห, หรือนั่นทำไมเราจึงจะไม่เชื่อบาปเชื่อบุญว่ามันอยู่ที่ไหนเราทำบาปมันก็เป็นบาปหมดตัวหมดใจตอนไหนทำบาตอนไหนทำดีมันก็ดีหมดตัวหมดใจนั่นมันเปลี่ยนตอนไหนทำชั่วมันก็ชั่วหมดกายหมดใจตอนไหนทำดีก็ดีหมดกายหมดใจมันเปลี่ยนวาระมัน ความชั่วในสุปฏิปโนมีหรือไม่เนยความชั่วในสุปฏิปโนก็มีอยู่แต่ไม่ถึงกับต่าลงมีมนโยบายอยู่ในเกณฑ์ที่จะละได้ไม่เหลือวิสัยเลยความชั่วของสุปฏิปโนไม่เหลือวิสัยจะอยู่ในกามือชนะเลยร0อยเปอร์เซ็น้านเปอร์เซ็นต์อีกแค่รวย เพราะเกเรหยะบยาบพ้นไปแล้วเจรรฆ่าจักรักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราเมรไรทิ้งแล้วไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเลยก็ไม่หนักใจยินดีในพระนิพพานไม่สงสัยเสียเลย ยินดีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยเลยไม่ลังเลเลยจะมีผู้มาล้างสมองให้เงินเต็มแผ่นฟ้าเผ่นดินก็ไม่เอาให้ซับภายนอกบางท่านบอกว่าเอาเชื่โกหกเอาโกหกมันก็ไปผิดศีลัวบศีห้านั่นนั่นันน่ถ้าเชียอได้อย่าโกหกเอาอยู่มันก็ไม่ใช่พระโสดาวันมันเป็นโสดันโสดาโสาดาชเสน่นั่น สิ <laughs> ่งอื่นไม่ดาดเดิดนสมถะไม่ต้องเอามาพนไปพูดเลยพูดเอาสิ่งที่ง่ายๆนี่จกนั่งอยู่ตลอดวันตลอดคืนเหมือนกบนี่ก็ตาม ถ้ายังเสียดายร่วงระเบิดชิ้นห้างยังเสียดายเรียอบายะมุ ก, ก, กอยู่ก็จะเลยตายคา่นั้นก็ไปสวรรค์ว่างไปพมรโลกว่าหมดอายุไขก็ลงมาเกิดเป็นสัตติเดฉานอีกอี่พ่ออีแม่เอ๋ยนั่นะเพราะยังไม่ถึงปโสรดวันนั่นะนะ่ะตายคาภาวนาก็ไปเกิดพมโลกก็จริงแต่หมดอายุก็ลงมาเป็นสัตติเดชานบ้าเปรตอสุรกายว่างตกนรกอีกบ้างนะั่ เพราะยังไม่ปิดประตูยังไม่ปิดประตูอาบายยับภูมิพระโสดรบัลปิดแล้วนะยังเปิดอยู่เพราะเป็นภายเรือในเองน้าภายเรือคล้ายๆกับนกที่บนเวียนกงอยู่นั่นแหะเพราะยังไม่เพราะมันยังไม่มีทางออก มันมียังไม่รู้จัดทางออกอีกเชื้อรวยใครจะภาวนาเก่งสักเพียงไหนก็ตทามเถิดถ้ายังเสื้อได้ร่วงละเมิดสิ้นห้าเสื้อายอยากจะขอดเวรเชื้อได้อยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่มันก็ไม่ใช่พระสวัสดวันพระสวดสดวันไม่มีมึงเถอะถ้ามึงเถอะมีในผู้ใด่ะไม่ใช่เพราะมันจะขอดเวรมึงเถอะเป็นคำพูดที่ขอดเวร ผูกไหมเวเรฮิริเวเรเวนย่อมแล้วครับด้วยไม่ผูกเวนเวนจะไม่้ะงับก็บเพราะผูกเวนอยู่ในใจเหตุฉะนั้นสิ้นห้าจังหวะเวรามณีเวรามณีเวนเวอันนี้เว้นแล้วเวรามณีเว ร, มเวรมามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ เป็นชิคาบทหนึ่งหนึ่งอยู่ที่ใจปิดแล้วประตูชิเณรณโพกสัมปทาเป็นพวกคับสมบัติเป็นสมบัติภายในด้วยชิเรนนี้พุทิงเงันติเปิดประตูพระานด้วย สิ่งอื่นๆไม่ได้เดินถมเถินเครื่องวัดของเราก็คือสินห้าไม่มีเครื่องวัดของเราเราก็ปฏิบัติไม่ถูกถ้าเราเช้ใจอย่างว่าเมื่อสินห้าอยู่มันก็ไม่ถูกเครื่องวัดมีเครื่องวัดตัวเราก็มีอยู่เหมือนกันใครอยากจะทราบตน่าเป็นพระอนาคามี ก็แหมมดเข้าหูดูๆูมึงเถอกูจะเอามึงตายเขาไม่ใช่พราะอน า, าคามีละเอียดไหมเพราะอน า, าคามีพระชรดาบาลก็ละเอียดแล้วพระชรวดาบาลก็ละเอียดละไม่ใช่สามีรับภรรยาของเราละไม่เลยละจะสวยจักเพียงไหนก็ตาม จะมีเงินเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินกูก็มาให้มึงรวงได้อะนัน่กูไม่ใช่ดด้อยากร่วงเสือเลยหัวก็เป็นพระสวสดาวันเมียก็เป็นพระสสดาวันทีนี้ในวันพระก็ไม่ยุ่งเหยิงกันนั่นเพราะละอายกันมีละอายกันเครจะแสดงมนระยาะลาคัดจัดก็ละอายกันก็ขู่กัน ไม่ใช่รดยเลยไม่ใช่รดยอยากแสดงราคาจับเนี่ยพระมหาคตประกำนางพัตกาพิลานีท่านมีกิเลสน้อยแล้วนอนอยู่เตียงเดียวกันเอาดอกไม้ตั้นไว้เออถ้าพวกเราไม่ทยอทะยานยในเรื่องกรร ม, มารมณ์แล้วพวกเราจะอยู่ทำไม ไปบวชเถอะเออนึกอย่างนั้นแหละคุณพี่ไปสักเราก็ไปเหมือนกันเดินตามหลังกันมาถึงตลาดแห่งหนึ่งก็มาซื้อเอาบาดดินแล้วก็ผินหลังจากกันไปพระมหากัตถะก็ไปหาพระพ ร, ะรมศาสตรานางพัตกาปิรานีก็ไปหานางพิสุรีมันวางมาแล้วเหตุนั้น ท่านจึงให้พิจารณาร่างกายลงเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเพื่อจะให้บรรเทาราคะโทสะโมหะเรานี่เองโมหะราคะโทสะโมหะของพระโสดาบันไม่สามารถจะไปลงนรกได้ไม่สามารถจะไปเป็นเปรตตะวิสัยอสุรกายที่สัตริรชานทุกชนิด มีคติเป็นสองถ้าไม่มนุษย์ก็สวรรค์เท่านั้นมนุษย์เป็นมนุษย์ชั้นสูงอีกเช่ด้วยสวรรค์ก็เป็นสวรรค์ชั้นที่มีอายุยืนอีกเช่นด้วยเพราะสวรรค์โลกุตระไม่ใช่สวรรค์โลกีสวรรค์โลกีและสวรรค์โลกุตระมีปนกันอยู่พรหมโลกีพรหมโลกุตระก็มีปนกันอยู่ ปฐมฌานของพวกโรกของพวกโรกีก็มีอายุสั้นปฐมฌานของโลกุตระอายุยืนเจตุสฌานของพวกโรกีก็มีอายุสั้นเจตุสฌานของโลกุตระก็มีอายุยืนนะอายุในพระนพานไม่มี อายุในพระอนาคามีมีห้าพันกับตายแล้วไปเกิดในชั้นอเวหา ก, 5, กาก็มีห้าพันกับตัตปาก็หมื่นกับคูณเท่าเอไป ไปถึงในทางทำดีตามจติกกำลังของตนเรามีอิสระมันเป็นของทิพย์ทำดีก็เป็นของทิพย์ทำชั่วก็เป็นของทิพย์ไปทางชั่วเรียกว่าโรคทิพย์เขาเขียนมาทำชั่วในเวลาไหนก็ทาได้ทำดีในเวลาไหนก็ทำได้ถ้าต้องการทำดี ความดีคนดีทําได้ง่ายความดีคนชั่วทําได้ายากความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายความดีคนความคนชั่วทำได้ายากมันตรงกันข้ามมูดคูด่แมวแรงวันทําได้ง่ายแต่แมวแรงพึ่งทำได้ายากแกสอนดอกไม้แมวรงวันทํายากแต่แมวรงพึ่งทําง่าย บินปลื้อไปข่าวเดียวก็มาแล้วบินก็ตำกว่ากันเรามีอิสระเหมือนกันในใตโลกธาตุพวกเราได้เกิดมาแล้วพรมโลกพวกเราก็ได้ไปแล้ว เทวโลกพวกเราก็ได้ไปแล้วตกนรกพวกเราก็ได้ไปแล้วเป็นพ่อโคพ่อกระเบือแม่โคแม่กระบื อ, พ, อพวกเราก็ได้เป็นมาแล้วพ่อปลาแม่ปลาก็ามาสัตว์ทุกชนิดพวกเราได้เป็นมาแล้วก็ยังแต่พระเน่าเหตุฉะนั้นพวกเราจึงได้เวียนอยู่นี่เ ท, เทวดาเทวดาในชั้นโลกีพวกเราก็เป็นมาแล้ว ตยังโลกตระถ้าถึงโลกตระแล้วก็ก้าวหน้าไปหาในพระจันทร์ในวันเพ็ญแต่ไม่กลับมาแรมอีกเหมือนดังเดือนเหมือนเดือนเอ้าคนไทยของเรามีประมาณหกล้าน พูดถึง พ, พระพุทธพระธรรมผสงฆ์แท้มีกี่ล้านเอา้าพวกที่เอาพระพุทธพระธรรมผรสมฆ์ปรกหากินก็มีอยู่ปรกเล่นบัตรเล่นเบอร์เล่นเลขเล่นผาอันนั้นก็เป็นเรื่องกรรมและผลของกรรมแต่และท่านแต่เราอยู่ในระดับใดเราก็ต้องดูเรา ไม่ต้องให้คนอื่นมาให้คะแนนและไม่ต้องให้คนอื่นมาบุกมาถ้าเราเป็นประชชนคนหนาหมดโลกน่ะเขาจะมาให้คะแนนเราเป็นพระรหัสเราก็ไม่เป็นถ้าเราพ้นจากีิเลสแล้วมดโลกจะเรียกว่าเราหมาก็ตามมันไม่ขึ้นโยก็ให้การให้คะแนนมันไม่เหมือนนักปาด นักปราชญ์นั่นให้คะแนนถูกก็ถูกจริงไม่เหมือนคนพานคนพานสิ่งที่ไม่ดีมันว่าดีก็มีสิ่งที่ไม่ไม่ดีมันว่าไม่ดีสิ่งที่ดีมันว่าไม่ไม่ดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีมันว่าดีก็มีชุดาเมียระยะกินเป็นระยะระยะมันไม่เป็นอะไรหรอกมันพูดอย่างนี้นั่นเพรหนึ <laughs> ่งพูดว่าการเล่นเมียเขาเนี่ยมันสะดุกจริง ถึงมันจะตายเป็นไสเดือนก็ตามมันก็ยังมีตัวผู้ตัวเมียอยู่มันพูดอย่างนี้เราก็หมดทุนทางเลนี่เราก็หมดทุนทางนะนี่จะมอบให้กรรมนี่ผัวเมียไม่ไหวใจกันในทางตามมารุมจะหาเงินได้กี่ร่านก็ลําบากเนอ พะมันเสียเศษรษฐกิจในบางท่านเห็นพวกคนจีนมาเลื่อมใสศาสานาพุทธของเราเช่นกุฏิวิหารอย่างนี้เป็นคนจีนเอามาให้ก็ดีเราก็รูจมูกโดง่งเห็นว่าเขาว่าเห็นเขาเลื่อมใสพระพระพุทธศาสนาของเราเราก็จมูกโด่งทีนี้นะครับ เห็นเขาเลือมใส่ครูบาอาการและผูทาา้ท้าศัยชนาเราก็จะหมกหมงไอ้ที่แทกก้กุศลพลบุญไปอยู่กับเขามันเสษยถ้ากิจทางกุศลพลบุญสำคัญมากเนอ้อนั่นนั่นนั่น<อ>พวกคนพานที่นี่ถ้าไปเล่เนื้อ นี่ลูกกระสุนของกูถูกที่นี่มาให้กูเป็นส่วนมากกว่าเพื่อนอ้างเลยถ้าทําบุญหน้าหลบหน้าหลบหลังไม่อยากให้เป็นถ้าไปทางทำชัว่วถ้าไปชกไปต่อยกันนี่มัดของกูเอาเข้านี่เอาเข้านี่อวดกันนี่มัดของกูสิอวดกัน ถ้าทำดีนะ้วไม่อยากอวดกันเลยเอาความชั่วมาอวดกันแต่มันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ก็เป็นเรื่องเราจะรู้เเขาก็ไม่ว่าว่าไม่รู้ว่าเขาไหนแล้วเขาเราก็มีคน <c oughs> <laughs> ทำดีก็ไปบวกดีทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจไม่ไปบวกในดินฟ้าอากาศ ไม่ได้ไปบวกที่กระดานดำไม่ได้ไปบวกที่ตัวหนังสือไปบวกที่ใจเลยบาปจโบร า, าปอสกดไม่ได้อยู่ในที่ตัวหนังสือไม่ได้อยู่ในที่พระไตรปิดกก็อยู่ในพระไตรปิดกใจทําบาปแล้วทาบุญแล้วก็อยู่ในที่นี่นี่ไตรปิฎกด้านในอันนั้นเป็นํานานเฉยๆนะเป็นตําลาตําลาตัวจริงแท้อยู่ที่ใจ โอ้พระโกน้อมเข้ามาใส่ใจพระใจเป็นผู้ทําขึ้นก็น้อมเข้ามาใส่ใจสิจะใจจะปฏิเสธก็ไม่ลงเจ้าของเหมือนกันใจก็รู้จักว่าใจปฏิเสธใจรับปฏิญญาใจก็รู้จักใจรับปฏิญญาความรับไปมีในโลกรักเทโลกเกและหัวดมะ ความลับระเ ม, มในโรคก็คือโรคหัวใจเรานี่เองไก่ จ, จะโกหกพกลมใจมันก็ไม่ลงเหมือนกันแต่โกหกพกลมในที่ประชุมพอพอแก้พอแก้ตัวชัว่วคราวแต่ก็ถึงก็เดือดร้อนอยู่สั จ, จปาลเมสัมปันโน รักษาสัตว์ตามธรรมดาสัจจะอุปปารมีสัมปนูรักษาสัตว์เข่งไปกว่านั้นสัจจะปรมัตถปารมีสัมปนโูรักษาสัตว์เสียชีวิตก็ยอมเสียเคารพสัตว์เรียกว่าสัจจะปรมัตถปาละมีสัมปนโนธาณปาลมีสัมปนูเสีก็เหมือนกัน ฐานะปารมีสัมปันโนธานะอุปปารามีสัมปันโนธานะปามัตถปารมีสัมปันโนทานะปารามีสัมปันโนให้ทานของขี้โลทานะอุปปารามีสัมปันโนให้ทานเสมอเหมือนตัวกินตัวใช้ธานะปามัตถะปารามีสัมปันโนให้ทานเหนือสิ่งที่ตัวกินตัวใช้ปามัตถะปารมีสัมปโนศี่นีก็เหมือนกัน เนคขมะก็เหมือนกันออกบวชพอเป็นพอเป็นนิสัยว่าเนคขมะปารามีสัมพนันธุออกบวชเพ่งกว่านั่นอีกเรียกว่าเนคขมะปรามตเป็นเด็กเนคขมะอุปปรารมีสัมพนันธุออกบวชเพื่อถวายเลือดเนื้อชีวิตต่อพระพุทธศาสนาถึงอย่างไรก็จะทําให้สุดทุกขโดยชอบยอมตาย ไม่เสียได้ถึงจะพ่นหรือไม่พ่นก็ตามยอมตายไม่เสียได้แก่ที่ว่ามีความประสงค์สิ่งเดียวเพื่อให้พ้นทุกข์เท่านั้นนี่เรียกว่าบวชเพื่อปรมัตถะประมีสัมปนูนีนคัมภีร์ปรมัตถะประมีสัมปนูนขันติปรมีสัมปนันโนอดทนต่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างต่ําอดทนอย่างกาง อดทนอย่างเสียชีวิตก็ยอมอดทนเช่นพระบารมสาลานั่งภาวนาถ้าไม่สาเร็จมรรคผลนิพพานเราจะไม่ลุกละอืไม่รู้จักที้เองจะตายก็ตายนี่เรียกว่าขันติปรามาิตะปารมิสัมปนโนหรือสัจจ ป, ปารมิตะปารมิสัมปนโนหรืออธิษฐานปรามาิตะปารมิสัมปนโนมันกลมเกลืนกันสามอัน ธสีเนปวิขะสะอะเมออักษรย่อธาแปลว่าทานสีแปลว่าศีลเนแปลว่าเนคัมวิแปลว่าวิริยะความเพียรขะแปลว่าขันติอดทนสะแปลว่าสัจจะอะแปลว่าอธิษฐานเมแปลว่าเมตตาอุแปลว่าอุเบกขาเมตตา ความรักใคร่ปรานาจจะให้เป็นสุขเมตตาอย่างต่าเมตตาอย่างกลางเมตตาอย่างยอมเสียชีวิตเห็นคนตกน้ำลงไปเอาถึงแม้เราจะตายก็ยอมเสียชีวิตด้วยนี่เรียกว่าปรมธธาปร ม, ม, ปรมิตาปรมธธาปรมิสัมปนโนเมตตาปรมัตารามิสัมปนโน อุเบกขามอุเบกขาอย่างจำอยากกา่างกลางอุเบกขาอย่างยอมเสียชีวิตจะฆ่าจะแกงสักเพียงใดก็ตามจะยอมเสียชีวิตด้วยวางเฉย อันนั่นเรียกว่าปรมาถาปารมีสัมปนูข้าพเจ้าจะอาไม่จองเวร น, นับใครเลยยอมเสียชีวิตเลยจะไม่ต่อสู้จะไม่จองเวรเลยอันนี้เรียกว่าปรมาถาปารมีสัมปนุเบิกขนะวางเฉยเลยทำดีก็ทำให้เราทำชั่วกว็ทำให้เรา ทำบุญอุทิศให้ผู้อื่นจะว่าทําให้เราทําไมมีปัญหาสอดเข้ามาว่าทําบุญอุทิศให้ผู้อื่นก็จะว่าทําให้เราทําไมปฏิฐานทำไ ม, าามบุญทายด้วาการให้ส่วนบนนะุญนั่นก็ทําให้เรานั่นเองอุทิศบุญให้ท่านผู้อื่นทั้งนี้เขาวานไปทําให้เขาก็ทําให้เรานั่นเอง วานไปจัดการยัดงานทําอันนั้นนี่เราตั้งใจทําก็ทําให้เราเนี่ยเองเมื่อเราถือวานท่านพระอื่นมาเออมันมาทําให้เรามันก็ตั้งใจทําดีเราก็ทําให้มันสินั่นนะ่นก็นอกจากคนที่อากาตันูจริงจริงจึงจะไม่รู้จัก ความเห็นไม่อยู่ในระดับเดียวกันก็จริงแต่พระอรหันต์ความเห็นอยู่ระดับเดียวกันพระโรดาบันก็ความเห็นอยู่ระดับเดียวกันพระจักขาคารีก็ระดับเดียวกันพิษเตะปะกินกะมีราไม่ยศต่างกันหรืออภินิยมีอภินิหารต่างกันเท่านั้นแต่ความเห็นอยู่ในระดับเดียวกันเพราะไม่แคดายอย่าล่วงละเมิดดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ส่วนเรื่องดีวิเศษนั่งก็มีแปลกกันไปบ้างเหมือนคนสอบได้นักทำตีนักทำโทนั่นเองแต่ว่าได้เทียบเอกก็มีได้เทียบตรีก็มีได้เทียบโทก็มีที่นี่ท่านทั้งหลายจะพูดอะไรบ้างก็พูดซะมารบซะพูดคนเดียวมันเบื่อหู เรียกภาวนาเอ้าเอ า, เ อ, า, เ อ, าออกมาใครภาวนาเป็นยังไงตาลกดูดูใครภาวนาอะไรต้องให้มีข้อวัดปฏิบัติภาวนาบ้าภาวนาไ่บนเสวด้วยการจเจริญภาวนาอารมณ์ของผู้ถือศาสนาพุทธมันก็เป็นไปในภาวนาเป็นส่วนมากจึงเรียกว่า มัคคารมนาธรรมามัคคารมคืออารมณ์ที่นึกถึงควรมาพุทธธรรมประสงค์ก็เป็นพุทธานุสติไปในตัวแล้วและลึกถึงฐานก็เรียกว่าจาคานุสติแล้วและลึกถึงศีลของตนรักษาก็เรียกว่าศีลานุสติแล้วนึกถึงพระนพานก็เรียกว่าอุปสมานุสติแล้วและลึกลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปนสติสียแล้วนั่นและลึกเขียนร่างกาย ก็เป็นกายรตาดรสติร่างกายที่ไม่งามก็มีแต่บุญเท่านั้นผู้สเสวงสร้างบุญก็มีแต่บุญมาบวกบุญผู้สเสแสร้างบาปก็มีแต่บาปมาบวกบาปนะเพราะมันเป็นของทิปมันดึงดูดมาดึงดูดมาอยู่ที่ใจ คนจะมีมากมีน้อยสักเพียงใดก็ตามขอให้ย่นลงในธาตุดินน้ำไฟลมย่นลงในรูปขันนามขันซะเพราะขันไปหาแก่หาเก็บหาตายแปรทับทรพย์ขันไปหาทำดีทำชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าว่าเราไม่มีปาฏิหาริย์ลับตาเข้าก็ไม่ได้ปาฏิหาริย์มืดลืมตาก็เห็นปาฏิหาริย์เห็นน่น มีปฏิหารอยู่ทุกท่านเราขี้เกียจก็มีปฏิหารทางขี้เกียจแต่ให้ผลต่างกันเราขยันก็มีปฏิหารทางขยันคนเรามีปฏิหารทุกท่านผลของกรรมนั่นเองเป็นปฏิหารกรรมและผลของกรรมนั่นเอง <S <S นกมีปฏิหารทางบินได้แต่ไม่ใช่พระหัน เห็นว่าด LIKE ิวินได้เราก็จะว่าดีทําท่าจะว่าดีอย่างนั้นทําไมจึงไม่ว่าสักกุนาอรหันน่นเห็นปลาไหลดําดินได้ก็จะอัศจรรย์ปาฏิหารทําไมจึงว่ามัตฉาอรหันนั่นเห็นเขาฉันพักได้ก็ว่าเขาดี ทำไมทำไมจึงไม่ว่าบุ้งอรหันหนอนอรหันเรื่องฉันเรื่องกินพระบรมศ า, าสตร า, าสอนไว้แล้วไม่เป็นหน้าที่จะทุ่มเทียงเกี่ยงงอนกันพระบริบูรณ์แล้วทั้งอัถฐะทั้งพยัญชนะสิ่งไหนที่พระบรมศาสด า, าไม่ได้สั่งสอนไว้ไม่มีเลยไม่ควรจะไปเถียงกันเรื่องกินเรื่องขี้นี่ เขาถามพระบรมชาติดาเขาถามพระหลวงปู่มั่นปนมะเขือกับปนปลาเอาใส่กันได้ไหมองค์หลวงปู่เออมันก็ลงไปเหม็อนอยู่ที่แห่งเดียวกันนั่นแหละลูกเอ๋ยบางท่านเห็นพระฉันในบาทบอกว่าพระศกปรบกปลาเปื้อนกัน แล้วพระสกปกที่นี่เวลามันออกมาหวานหรือขาวมันออกก่อนทนี่ของที่สะอาดเราฉันเข้าไปอร่อยมากตื่นเช้ามาก็รบคุณค่ากันใช่ได้เหม็นเหม็นเหม็นเหมนบ้วนน้นนนนนนำลายปิดปิดเลยนั่น ของที่เราว่าอร่อยอร่อยนั่นเองให้คะแนนกันวันเดียวนะออกมาเป็นอุดจระแล้วลดลดตำแหน่งแล้วผู้เห็นผู้ใดาราขคะจัดขอให้ภาวนาร่ากกระดูกสิ่งไหนที่มันปฏิกูลมากให้เพ่งอันนั้น แต่จะกวนในร่าง ก, กายของเราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามก็เพ่งอันนั้นแหละเพ่งไปเพ่งมาถ้าเห็นอันหนึ่งปฏิกูลอันหนึ่งก็ปฏิกูลมันกันในร่าง ก, กายเดี๋ยวนี้เราคาบไส่อ ย, ยู่เนอะปลายข้างหนึ่งอยู่คอหอยปลายข้างหนึ่งอยู่ทวารหนักถ้าเรา ถ้าเรากำหนัดในรักสวยรักงามมากเราก็ไม่อดแต่สิ่งที่จะแก้นี่เราไม่ยอมแก้ยอมให้กลียดชกเราหน้าเดียวเราไม่แก้มันถ้าเราแก้มันมันก็เบาอาหารก็แก้ได้เหมือนกันกำเราเรากำลังเคี่ยวอยู่นั่นน่ะเราบวชออกมาดูสิบอกให้มันกืนกินอีก เธอกิอนกินได้ไหมมันก็กืนกินไม่ได้พอเข้ามามระกบปนกับน้ําลายเลยที่เกิดน้ําลายอยู่ใต้ลิ้นไหลออกมาอยู่ในกับพุ้งแก้มทั้งสองที่เกิดน้ําตาก็อยู่ในหลุมตาน้ําตาตกลงในถ้วยแกงทันได้หรือไม่ไม่ได้นะ ผู้โทรสะจัดก็ให้แผ่เมตตาส่วนโมหะนั้นต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะไม่หลงส่วนพิจารณาของปฏิกูลมันก็ไม่หลงเหมือนกันมันไม่หลงว่าสวยว่า ง, งาม ถ้ามันลงว่าสวยว่างามเราก็ต้องพิจารณาอจุพระาบา้างถ้ามันชอบโกรธง่ายก็เผ่เมตตาเราจงเป็นสุขอยู่ทุกเมือ่อเราไม่ชอบทุกข์ท่านผู้อื่นก็เหมือนกันท่านผู้อื่นสั้นอื่นก็เหมือนกันก็แผ่เมตตาโยนี่สี่ทุกท่านหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมือม่อเทีนบาติกรรมอยู่ สุกในพุทธคำสงฆ์เป็นสุกก้าวหน้าไม่ได้สุขถอยหลังโยนี่สี่ผู้เกิดในครันในไข่ในเท่าในไข่จะเกิดพุทธขึ้นสิ่งที่มีวิญญาณคลองสิงอยู่ในไตโลกธาตุจงเป็นสุขทุกท่านหน้าอยู่ทุกเมื่อเทินเพราะชอบสุขจะบัญญัติเป็นหรือไม่บัญญัติเป็นก็อชอบสุขนกมันก็ชอบสุขเห็นเราไปมันก็บินปรือมหนี่มันกลัวมันมันไม่ไว้ใจกบก็เหมือนกันเห็นไปก็กระโดดลงน้ำเลยนั่น เข้ามาไว้ใจเพราะรักชีวิตงูเลื้อยเข้ามานี่ไม่ได้ดึงแขนกันเนออตัวจะโ ต, ว, ต, ว, ต, ว, ต ว, วิ่งใหญ่เลยละเนี่ยเหตุฉะนั้นคนเรารักตนรักตนยิ่งกว่าอันอื่นเหตุฉะนั้นคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็รักเขาเหมือนกันเหตุฉะนั้นปนาณาติบาจึงมีอยู่ในข้อต้นเกือบหลงบีบเนี่ย <c oughs> <c oughs> เกือบหลงบีบนี่ ด้วยเรทพระพุทธศาสนาอันทรงพระคนณขาไม่มีประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อและไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เลื่อมใสและไม่เลื่อมใสไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ระลึกถึงหรือไม่ระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแลเมื่อเป็นอยงนี้พวกเราทั้งหลายที่ได้มาในที่นี่ก็ดีเมื่อได้มาในที่นี่ก็ดีจงประสบแต่ความสุขความเจริญในวบวรบพุทธศาสนาของพระสมานาพุทธเจ้า ย, ยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกท่อนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเธอ ที่นี่เอาหนังสือมาแกกันที่นี่ท่านผู้ใดยังไม่ได้สันปะถมสองนึงสิมาให้พูดไทยมันกับว่าถืออักษรต่ำอักษรสูงจักทีว่าอย่างไม <c oughs> รัฐกาลที่หกสันปะถมสองเขารัชกาลที่หกสองพันี่ร้อยหก้าออกโรงเรียน ฉันลบสองตอนเราเอ้า